ปจิบัติสมาธิภาวนาและจะได้ตั้งสมาธิปลูกกันไปด้วย <S <S ความจริงเรื่องการได้ละยลายธรรมะแล้วฟังธรรมะนี่เราฟังกันมาตั้งเยอะเยอะแยะแล้วดังทีไรมันก็เรื่องกายจัดใจเพราะกายจัดใจนี่เป็นธรรมะ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 ต่เกลียดนินทาทางทางที่เราก็เปรียดเต็มประดานั่นแหละแต่ก็อดนินทาคนอื่นเขาไม่ได้จึงกลายเป็นผู้ไม่มีความเที่ยงธรรมจิตใจไม่เป็นกลางยังวันไหวต่อโลกกระทาเมื่อปายนี้มาบรรจบเขา้า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 อันนี้เป็นกฎธรรมชาติของสังคมของโลกกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมตายกับใจสถานการณ์หละสิ่งแวดลอ้อมอ น, นิจจังพวกขังอนัตตาไม่เสี่ยงเป็นพวกเป็นกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมในเมื่อใครไปยึดสิ่งที่เป็นอ น, นิจจังพวกขังอนัตตาไปยึดกลอบ โดยไปแย่นกรรมสิทธิ์หรือไปขัดวางแนวทางที่เขาจะเป็นไปโดยกฎของธรรมชาติเมื่อขัดฟางไม่อยู่ข้ามไม่ดูเกิดความกระทบกระเทือนใจบางทีห้ามได้ก็ดีใจบางทีห้ามไม่ได้ก็กระทบกระเทือนใจ ในเมื่อเกิดความกระทบกระเดือนใจอะไรมันเกิดขึ้นดีมันก็กระเทือนเสียมันก็ประเกิดนส่วนดีเมื่อกระทบเข้าแล้วท่านให้ใจมันปูขึ้นสูงขึ้นจนลืมตัวถ้านองตัวถ้าเยอถ้ายานซึ่งท่านเรียกว่าตันหาความพอใจใกล้ในสิ่งที่เราชอบใจเป็นตามมะตันหา พอยก็เป็นภาวะสัญหาความไม่พอใจในสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นวิภาวะสัญหาเมื่อประสบแล้วทำให้จิตใจห่อเหี่ยวคอแท้เหนื่อยลนายถึงกระดบเบื่อชีวิตไปกินยาตายก็มีสมสีไปในสิ่งเหล่านี้ราะเหตุว่า เราไปขัดฝางสิ่งที่เราขัดไม่ได้ในเมื่อขัดไม่ได้พลังของเราไม่เทียงพอเราก็ต้องหงายหลังหรือมีจนนั่นก็ต้องผลูกสิ่งเหล่านั้นมันกระแทกก็จะแหลกละเอียดยับเจิมไปอนิจจังกขังอนัตตาเป็นกฎของธรรมชาติสภาวะธรรมที่จะเป็นไปเช่นนั้น พวกขังอริยสัจจังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังพวกขาสิโนโทรอริยสัจจังทุกคาสิโลทัคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังพวกังพวกคสมุทัยโยอริยสัจจังเป็นความติดที่มันปรากฏการขึ้นแล้วทําให้เราเกิดทุกข์ใจ ตันหาความถเยอถยาญาติตามมตันหาภวะตัญหาถ้าเยอถ้าญาตไปไม่สมหวังตื อ, อ ท, ทุกทุกใจที่เกิดขึ้นคือทุกอริยสัจอันนี้เป็นความจริงที่จะต้องปรากฏแก่เราทุกลมหายใจในขณะใดที่สติปัญญาของเรายังอ่อนก็ต้องปูกโดนทุกที่เกิดเพราะตามมตันหาภวะตัญหาวิภวะตันหาย่ำดีอยู่ตลอดกาล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 ใจกดแห่งธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางจิตเป็นกลางโดยปกติเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมิ่งได้เกิดขึ้นดับไปภายในจิตจับแต่ว่ารับรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศัยความที่จิตมีสติสัมปชัญญะเต้มแส็ สามารถลงจิตให้มีพลังงานดำรงตัวเด่นอยู่โดยการเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเมื่อเป็นเช่นนั้นนิโรธะธรรมชาติของจริงฝ่ายกุณธรรมที่เราปฏิบัติถึงย่อมปลาบสดเด่นทัดสกษาเมื่อจิตเป็นปกติไม่ไววันไม่ไววันไ ว, นวนต่อกิเลสแต่อารมณ์ มีแต่วามปกติรู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนน้ำในท้องทะเลหรือน้ำในขันในตุ่มที่ไม่กระเพื่อมมีแต่นิ่งปลาจาะเข้คลื่นฟอกแม่น้นจะลึกแสนลึกแต่เราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในใต้ท้องทะเลหรือก้นตุง่งก้นขันได้อย่างถนัด แม้จะมองดูเงาหน้าของเราก็มองเห็นได้ชัดเจนเกาะน้นํามันนิ่งไม่กระเพื่อมเรือจิตของเราเป็นปกตินิ่งไม่กระเพื่อมรู้ตื่นเบิกบานอยู่เป็นปกติเราก็สามารถมองเห็นสภาพปานจริงภายในจิตเปรียบเหมือนมองเห็นเงาหน้าของตัวเอง นอกจากจะมองเห็นเง า, นาหน้าของตัวเองแล้วยังมองเห็นทองทางที่จะดำเนินชีวิตไปเพื่อปฏิบัติดำเนินชีวิตไปสู่แนวทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยการพลุกซึ่งเรียกว่ามรรคปฏิปทาย่อมปราบตินชัดสุดเมื่อกฎธรรมชาติฝ่ายดี เกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมแล้วการปฏิบัติธรรมนี่ต้องพยายามปรุงแต่งกายว่าจาให้เป็นศีลโดยเจตนาในเบื้องต้นก่อนแล้วพยายามฝึกขัดจิตให้มีความมั่นคงเป็นปกติสามารถสร้างความเป็นปกติจิตขึ้นมาได้กลายเป็นศีลใจ ในเมื่อสินใจบังเกิดสึ้นสีลนกายสีลนวาจาก็ค่อยเป็นปกติไปด้วยโดยที่เราไม่ต้องสร้างเจตนาควบคุมและบังคับใดๆทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นั้นสิ่งที่เราอบรมมาหรือการคว า, ามดีบุญกุศลที่เราทำมาแม้แต่เรื่องของการให้ทานก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุ น, นส่งให้เกิดพลังสมาธิ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 การปฏิบัติธรรมนี้สำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นักภาวนาที่ไม่ค่อยได้ผลหรือิตสงบลงไปแล้วไปนิ่งเพิดเออยู่เฉยๆไม่มีน้ำมีน ว, นวนราะศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าใครเจอปัญหาอย่างนี้ให้รีบพิจรารณาศีลของตัวเอง หากาเป็นพระภิกูสง์สามเณรตั้งแต่ปริมณฑลที่เราบัพพชาอุปสมบทมาถึงปัจจุบันนี้เราได้ละเมิดสิขาบทที่ไหนข้อไหนและมีความตื่นลึกหนาบางและเบานับเทียงใดแค่ไหนและควรจะระพพริปฏิบัติเพื่อชำระโทษนั้นอย่างไรในเมื่อตรวจไม่พบความผิดของตัวเอง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 ก็ให้ตัวจดูสีห้าสีแปหรือบางทีอาจจะสีสิบที่เราตั้งใจสมาทานตรวจดูตั้งแต่ปริมนคลที่เราได้ตั้งใจสมาทานสีหรือรับสีปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันเรามีความสาตกบกกล้องและได้ประเมินสีขาบดวินัยสีข้อใดถ้าตรวจพบแล้วก็พึง ตั้งเจตนางดเล้นแม่จะงดเล้นด้วยตนเองอธิษฐานจิว่าเราขอสมาทานศีนี้ซึ่งขาดไปแล้วแล้วก็ตั้งเจตนารักษาไปศีนก็กลับคืนมาสู่ความบริสุทธิ์อีกหรือถ้าหากว่าไม่แน่ใจเราไปนึกเอาเองตั้งใจเอาเองไม่แน่ใจไม่สมบูรณ์เพียงพอ จะไปขอสมาทานกับท่านผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นพระเป็นเนนก็นแล้วแต่สะดวกแต่ก็ไม่จําเป็นอธิษฐานอิจแล้วก็ตรวจดูว่าศีลเราบริษษสุทธิ์สะอาดดีแล้วทำความภูมิใจทําใจให้เกิดมีปีติและความสุขเมื่อศีลของเราบริษษสุทธิ์สะอาดดีทั้งผู้ที่เป็นนักบวชทั้งที่เป็นอารวาสแม้เราปฏิบัติสมาธิภาวนาลงไป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 แม้แต่เดดใจสงบะว่างลงไปแล้วมองเห็นภาพนิมิตต่างๆผู้ภาวัาเพราะอาศัยศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยจะไม่เข้าปัจจัยผิตในนิมิตนั้นโดยที่ไม่สำคัญว่านิมิตนั้นเป็นผู้วิเศษมาจากไหนที่จะมาช่วยตนบรรดาลจิตใจของเราให้ได้สมาธิได้ฌานได้ญาณ เราจะมีความรู้สึกได้สติสัมปชัญญะว่าภายในจิตของเรามีแต่คนนธรรมที่ทําคนให้เป็นพระพุทธเจ้าเอผู้รู้มีแต่คนนธรรมที่ทําคนให้เป็นพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความดีมีแต่คุณพระอริยสงฆ์ที่ทําคนให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ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 เป็นในเมตตุธีปีศาจเทวดาอินทมจมมยักษ์ทั้งหลายก็ดีเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้นแม้แต่ความคิดว่าวิญญาณจะมาขอส่วนบญส่วนตูนโ้คาวดามีศีลบริสุทธิ์แล้วแต่นึกเพียงแค่ว่านี่คือมโนภาพที่จิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจะมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทัน ไม่หลงยึดในสิ่งนั้ น, น, นการภาวนายเห็นภาพนิมิตต่างๆใถ้าสติสัมปชัญญะไม่เพียงพอหรือรูอ้ไม่ทันอันตรายเมื่อเราไปเข้าใจผิดว่านิมิตนั้นๆภาพนั้นๆเป็นภาพพันปููพิเศษหรือเป็นผู้พิเศษทั้งหลายสเสด็จมาจะไม่ช่วยสมาธิช่วยญาณของเรา ช่วยทานของเราให้ดีพิเศษยิ่งสุดแล้วเราเฝอเป็นน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในจิตในใจของเราถ้าหากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแล้วเราจะกลายเป็นคนุขถ้าใครเคยเป็นเคยปฏิบัติอย่างนั้นลองสังเกตดูทีสิว่า ขณะจิตสงบลงไปสว่างมีปีติมีความสุขและมีความสมบแต่ยังบริกรรมภาวนากายยังปรากฏอยู่แสงสว่างยังทอดออกไปข้างนอกมองเห็นภาพมิมิตต่างๆเพียงแต่เห็นรู้จึต ก, กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบ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 ปลอดหลงสบายไหมยังปลอดลงสบายจิตรู้ตื่นเบิกบานสบายมากเอาถ้าเธอไปนึกว่าภาพนิลิตนั้นจะเป็น ล, ลูกเราพุทธเจ้าก็ตามและสาวกก็ตามใครก็ตามตอนที่เรารู้ดูเห็นอยู่เฉยๆเขายังไม่ก่าวเข้ามาเหยียบในหัวใจเรา หัวใจเรารู้สึกเบาสบายปอโปรง่งเบิกบานมีปิติมีความสุขถ้าเราเนึกว่าออกโหวิเศษจะมาช่วยจิตช่วยใจของเราให้ได้สมาธิให้ได้ฌานให้ได้ญาณอันพิเศษให้ได้ความรู้ความเห็นความเข้าใจจะมานําเราไปสู่พระนิพพานได้ง่ายๆ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 หายไปหมดมีแต่ความอึดอัดความแน่นในจิตในใจความหนักหน่วงในร่างกายเข้ามาแทนที่ตอนนั้นเราไม่เป็นตัวของตัวแล้วเิตไม่ได้เป็นไป ต, ตามอำนาจของตัวเองแต่มีอำนาจติ่งหนึ่งเข้ามาแทกสิงคอยบีบบังคับให้เป็นไปเป็นไปด้วยความแสนยากลำบาก เป็นไปด้วยความหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยอย่างเต็มที่ความรู้สึกในตายในใจหัวใจเหมือนถูกบีบล่างกยหนักหน่วงเปรียบเหมือนมีสิ่งมาทับให้หนักที่เป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งมาประทับตรงที่กายที่ใจของเรา ยังทำให้เราหมดสมรรถภาพที่จะเป็นตัวของตัวเองถ้าสิ่งนั้นเป็นโลกาเทวดาเข้ามาสิงสู่ในตัวของเร า, าเราก็ไปรับเอาศาสนาเทพเจ้ า, าเข้ามาแล้วทานิมิต ท, ที่มองเห็นเราสำคัญว่าเป็นพระสม เมื่อพระองเข้ามาอยู่ในตัวเราก็กลายเป็นศาสานาพระสมถ้าหากเป็นผู้ผีปีศาจหรือผู้ยิ่งใหญ่พยามาลทั้งหลายเส้นอย่างมารมาลังพานพระพุทธเจา้าเมื่อพระองค์จะตรัสรู้ถ้าเรารับเอาสิ่งนั้นเข้ามาเราก็เอาศาสต า, ามารมาไว้ที่หัวใจของเรา <c oughs> น, รนี่ตรงเน้ตรงเลือกนีมิดนีมิดนี่ระวังระวังให้ดี ถ้าเราเข้าใจผิดในนิมิตต่างๆที่เรามองผิดนั้นแล้วไปยึดเอานิมิตเป็นสาระสำคัญเราจะกลายเป็นผู้เปลี่ยนศาสนาพุทให้เป็นศาสนาอื่นทันทีนี่คืออันตรายของนักปฏิบัตทิที่เราควรระมัดระวังอย่างยิ่งดังนั้นการภาวนาในหลักของสมถะและวิปัสสนานั้น เราจะยึดเอาอะไรเป็นสาระแก่นสารเอาอาตาหิอัตโนนาโธตนเป็นที่พึ่งของตนอัตโนโจทยัตานังเตือนตนด้วยตนเองอาตาธิปะอตาตตะสนามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง ปูกภาวนาทรรมจิตให้สงบลงไปเป็นสมาธิตามงแต่ขัน้นคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิืดอสมาธิช่วงใดที่สมาธิเกิดขึ้นโดยลงพังหรือโดยสมัภาพของจิตซึ่งอาศัยอารมณ์สิ่งรู้แล้ว็พิสติและเลิอกอยู่กับสิ่งนั้น สามารถฝึดผลอบรมสติสัมปชัญญะให้มีพลังเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิเป็นสมาธิโดยอิสระโดยที่เราเองเราก็ไม่ได้ขมจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ไม่มีใครจะช่วยจิตให้เกิดมีสมาธิและเจตข้องเราก็ไม่ได้ถูกกระตุให้สงบเป็นสมาธิ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 ให้เราถึงพระนิพพานตามที่เราเข้าใจอันนั้นก็ยังเข้าใจผิดอาขาตาโลจะาข้าตาท พ, พุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกพระองค์ยืนยันไว้จากนี้อย่าไปหลงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะมาช่วยเราเราเนึกถึงพระพุทธเจ้าพุโทโธเราเอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์พุทธานุสติและเลืกอถึงคุณของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งเท่านั้น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 แต่สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางครั้งจิตลอยเด่นอยู่เหนือสิ่งทั้งปุ่แม้จะมีสิ่งโลภ์ลาวกดยูแต่จิตก็ลอยเด่นอยู่ไม่เกาะไม่ติดสิ่งใดๆนั่นคือจิตที่เป็นอัตาตีปะมีตนเป็นเกาะนั่นคือจิตที่เป็นอัตาสาร า, รามีตนเป็นที่ตึง นั่นเป็นจิตที่เป็นอัจฉหิอัตโนนาโถเกิดตนเป็นที่พึ่งของตอนเมื่อจิตขยับเกิดจะมีความคิดสติปัญญาขึ้นมาสติทาหน้าที่รู้ทันทันทีโดยอัตโนมัติไม่เถือหลงจิตไปว่าผู้วิเศษยิ่งใหญ่ทั้งหลายจะมาช่วยเรามีแต่เราเท่านั้นช่วยเองช่วยเราเอง อาศัยสมรชภาพซึ่งเป็นคุ ณ, ณธรรมที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้เป็นพุทธผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานขึ้นมาลแล้วจิตสัมพัญญะของเรามีพลังเข่นแสงกลายเป็นตัวปัญญาสามารถรู้เท่าทันกิเลสและอารมณ์ได้ทุกณะจิตทุกลมหายใจแม้ว่าจิตดวงนี้จะทอดทิ้งร่างกายไปอยู่ในตัวคนเดียวลอยเด่นอยู่ในถ้ากลางแห่งนภาศา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 เพราะฉะนั้นควรที่จะบำรุงคนต้นคมจันเปือศีล